ท่านฟังคะท่านอยู่ในช่วงหลักของรายการสัมสมนาสนทนาดิฉันสั่นสีนาคพรมในรายการรายการนี้ให้ทุกท่านได้มีธรรมะเอาไว้ทําให้อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเป็นปกติแล้วก็มีความหวังในการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าทุกวันนี้หรือว่าบางคนอาจจะมีความหวังในชีวิตที่เขาเรียกอะไรคะไม่ต้องมีชีวิตอีกต่อไปแล้วแบบนี้ คื อ, อขอบรรลุมรรคนิพพานไปเลยแล้วก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวไปพบกับพระจันพยุนอภิปุลโนซึ่งท่านสามารถที่จะตอบคาถามให้กับเราโดยอ้างอิงสิ่งที่พระพุทธโธตรัสไว้ซึ่งเราเรียกว่าพุทธวัจนะในช่วงเวลาที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกลาวนวัส ก, การกันทั้งคะเช่นพานท่านอาจารย์ครัเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยันเองเนี่ก็ติดตามท่านนายกรัฐมนตรี ไปเยืยนอาานเยอรมนีกับฝรั่งเศสไงเป็นทางการออืไปในวันแรกๆเลยนะคะก็มีการส่งข่าวมาจากเมืองไทยโดยเป็นผู้านิรนามส่งมามอยากให้รู้ไว้ต้นไม้อ่าในทรรเนียลม้มต้นไม้ใหญ่มากอยู่มานานแล้วอืเขาว่ากันว่าเป็นลางร้ายออืเจนเองกอ็เดี๋ยวเอามาคุยธรรมะดีกว่าเวลาเห็นต้นไม้ใหญ่ลม้มต้นไม้หน้าบ้านทีฉันเพิ่งไปเยี่ยมคุณแม่มาอก็พบว่าต้นไม้ของกทมเนี่ย ต้นใหญ่เริ่มเทิมเลยนะคะเขาเ็เพิ่งตัดไม่รู้ตัดเพราะว่า ม, มันตายหรืออะไรแต่ว่าก็เลยคิดว่ามีสองต้นพร้อมๆกันเลยนะคะจะมากราบเรียนถามท่านว่ า, าวิธีคิดของคนทั่วไปก็คงคิดกันไปหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่วิธีคิดถ้าอ้างอิงพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เห็นทำอะไรอยู่ในนั้นคท่านค ะ, ะมีมีอยู่สองอย่างในยะแรกผู้เช้าได้เคยตรัส เรื่องต้นไม้ที่ว่าล้มๆเนี่ยนะบรารอบท่านพระสารีบุตรได้ตรัสกับรู้สึกจะถ้าจาไม่ผิดเป็นจุนทาสามเณรนะที่พูดถึงต้นไม้ที่เมื่อตายแล้วเนี่ยคือต้ น, ม, นมันตายคายยืนต้นเนี่ยนะและะ้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็คือเฉพาะแก่นของมันนะคือเวลาต้นไม้ตายแล้วเนี่ยก็กิ่งใบพวกนี้ใบพวกนี้หลุดเอาหมดใช่ไหมเปลือกกระพี้เปลือกเนี่ยเปลือกไม้ก็จะแห้งออกไปจเหลือแต่ตัวแก่นไม้ ทีนี้พอตัวแกนไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็รอวันที่มันจะหักตัวนั่นเองรอวันที่มันจะเสื่อมโทรมไปอันนี้ผู้เช่าชปลาพูดถึงตรงนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับจิตของพระอาหารหันต์นะคือจิตของพระอาหารหันต์เนี่ยดับลงละแต่ตอนนั้นไม่มีความทุกข์ละความทุกข์ดับสิ้นแล้วน ะ, ะที่คุณยมติวพูดเมื่อต้นรายการแล้วนะว่าถ้าเราอยากเกิดใหม่ดีๆอะไรอย่างนี้หรือบางคนหนึ่งไม่อยากจะเกิดมาเจอความทุกข์อีกแล้ว น, น, นี่เราพูดถึงบุคคลที่สองที่เรียกว่าไม่เกิดมาเจอความทุกข์อีกแล้วเนี่ย จิตของท่านนะวินาทีที่ตรัสรู้เป็นพระอาารันเนี่ยดับละนะัคือดับจากความทุกข์ทั้งหมดนะัก็คือเหมือนกับต้นไม้ที่ตายละนะัเหลืออะไรอยู่นะัก็เหลือแต่ตัวแก่นมันเหลืออะไรพวกนี้ของมันเท่านั้นเองในะครจะตัดไปใช้งานก็ได้หรือว่าถ้ามันฝนตกอะไรผ่านไปหลายๆฝนหน่อยมันก็ จ, จะล่มลงไปของมันเองนั้นกะนะ็คือเปรียบเทียบกับร่างกายที่ยังเหลืออยู่นะปัจจุบันนีนะ้ร่างกายที่เหลืออยู่นะปัจจุบันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ะเท่าที่อายุมันจะมีให้ พระอาหารหันต์บางรูปบางองค์ก็พอบรรลุแล้วเนี่ยก็แสดงธรรมบ้างมีคุณวิเศษในด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถต่างๆกันไปก็กมีเราก็เจอในสมัยพุทธกาลอันนี้คือในยะที่1นเปรียบเทียบกับจิตของพระอาหารหันต์ที่ตรัสรู้แล้วลต้นไม้ที่ลม้มลงไปตรงนี้ในยะที่2ที่พุเจ้าตรัสเรื่องต้นไม้ก็เปรียบกับศีลของผู้ปฏิบัตินา่นเองคือศีลเนี่ย ถ้าเราทำผิดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆทำไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆผิดมากขึ้นนะผิดมากขึ้นนะเป็นผิดข้อใหญ่มากขึ้นผิดข้อใหญ่มากขึ้นหลายๆครั้งเข้าคุณไม่แก้คุณไม่ทำไม่ดีแล้วนะก็ผิดหมดเลยจนกระทั่งตัวเองนี่ต้องไปตกนรกนะหรือทำห้ความไม่ดีเกิดขึ้นนะเปรียบเทียบกับภิกษุนี่แหละนะตัวเองทำผิดสินเล็กๆน้อยๆนะเช่นกินอาหารนะไม่รู้จักนั่งดื่มน้ำอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าไปบิณฑบาตก็ยังพูดคุยเสียงดังอันนี้มันผิดศีลเล็กๆน้อยๆซะนั่นเองไม่ได้ซีเรสอะไรมากทีนี้ถ้าทำไปแล้วตเ่งไม่รีบแก่แยังทําอยู่นั่นแหละบริ้จักโปร่งอาบาตไม่เห็นความผิดเล็กแล้วในยางนี้มันจะเริ่มผิดมากขึ้นอาจจะลืมผ้าคล้องเอาไว้อันนี้ผิดมากขึ้นละหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเริ่มผิดมากขึ้นแล้วก็จนกระทั่งผิดหนักผิดหนักเนี่ยก็คือ เป็นอ ბ ัตสังคารที่เสรอ ბ ัตรปราชิกอะไรจนทำให้หลุดจากความเป็นพระแต่เป็นลักษณะของคารวะก็คือผิดปกติอยู่เรื่อยๆคุณตายไปคุณตกนรกเลยนะโศกมากๆทีนี้มันเปรียบเทียบกับตรงนี้ยังไง <S <S ก็คือเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่เวลากิ่งใบใบต่างๆนี่มันร่วงๆ่วงลงไปแล้วเราไม่รู้จักแก้ไขนะมันเป็นวัชพืชเป็นโรคอะไรเราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกิ่งน้อยๆก็หักตามกิ่งน้อยๆหักตามกิ่งใหญ่ๆก็หักตาม กิ่งใหญ่หกตามเราไม่ดูแลไม่รีบแก้ไขในทั้งลําต้นนี้โค่นเลยอ่าที่มันโค่นมันโค่นเนี่ยก็เพราะว่าเล็กๆน้อยๆตรงเนี้เราไม่เคยดูแลนะมันเริ่มมีปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังมานานแล้วในแต่เราไม่ดูแลไม่แก้ไขพอถึงว่าหนึ่งก็โค่นให้เราเห็นเนในทั้งนี้ทั้ง น, นั้นเนี่ยเพราะว่าเล็กๆน้อยๆเนียน่ ย, นยที่มันค่อยๆกัดกร่อนไปแสะไปแสะไปตรงนี้นะถ้ารสรุปตรงนี้คือว่าพูดให้เห็นว่าให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อย ว่างี้เนี่ยนกะเรื่องของศีลค่ะอมไม่เห็นโทษในภายแม่เพียงเล็กน้อยอืมศีลเล็กเ ล, กเ ล, กเลกน้อยน้อยเนี่ยคุณโยมติ๋วสําคัญนะใครว่าไม่สําคัญคะนะมีความสําคัญมากอย่างเช่นว่าเราจะพูดอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราพูดออกไปตลกโป๊กฮาเล่นธรรมดาคิดว่าไม่มีอะไรคลายเครียดเอะมันเป็นความเป็นคําเพรสเชอร์หรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิด ว, ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยคุณทำไปทําไปเนี่ยอันนี้คุณแบบแผลเริ่มเหินนะ แผลเริ่มเปิดแผลรับเชื้อโรคก็คมาละเหมือนกับต<ห>้นไม้กิ่งไม้เนี่ยใบเริ่มดุดไปกิ่ง น, น้อยเริ่มหักไปละเราต้องรีบแก้ไขค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีสองนัยยะอย่างที่ท่านไปบุญได้หยิบยกมาพูดในวันนี้<ช>คือเปรียบเหมือนพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้วกับเปรียบเหมือนศีลของผู้ปฏิบัติที่ยาได มองข้า ม, มผิดสีเล็กๆน้อยๆอย่าประมาท้ากกันเถอะค่ะทีนี้ถ้าอย่างกับดิฉันเองไนะคะมันึกในอีกมุมหนึ่งพ อ, อได้ยินคนพูดอย่นี้นันก็นกน่าจะนึกในมุมกลับมากกว่านะก็คือเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะไทก็นึกก่มันจะยืนอยู่ได้ยั้งยืนยงแต่สุดท้ายแล้ว ก็อยู่ไม่ยืนโยงหลอกอยู่<ม>ดีดก็ล้มเองไม่เห็นมีใครไปทําอะไรไม่เทียนค่ะ <laughs> คิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ได้นี่พอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจามานึกถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยซ้ําอที่พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเลยถ้าอย่างต้นไม้ใหญ่เงี้ยคุณไม่ต้องการเงาของต้นไม้อย่างเงี้ยแต่สมมติเราไม่ต้องการเงาของต้นไม้เราจะทํำยังไงแคนทั่วไปก็จะแค่โคนมันทิ้งไปนะสิ่งนี้แค่นี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ไม่ไม่ใช่ทําแค่นั้นนะเราต้องตัดมันถึงที่โคน นะควรติดกับดินนั่นเลยแล้วก็ขุดรากมันออกมาให้เท่ากับไม่เหลือไม่เหลือเศษ ร, รากหญ้าอยู่เนี่ยนะเพื่อมันจะได้ไม่โตได้เนี่ยเสร็จแล้วไอ้ต้นพวกนี้เราผ่าผ่าให้เป็นซิกซี่ผ่าให้เป็นท่อนๆก่อนแล้วก็ผ่าให้เป็นซิกซี่ซิกซี่แล้วก็สับให้มันเละสับให้เลแล้วก็บดให้มันละเอียดพอบดละเอียดแล้วก็เผาไฟเผาไฟเป็นขี้เถ้าเอาขี้เถ้าเนี่ยไปโปรยขึ้นไปในอากาศหรือเพื่อก็โรยไปในน้ําเราก็วิธีการเนี่ยชื่อว่าวิธีการที่จะ ขจัดเงาของต้นไม้นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์จริงๆทํากันขนาดนี้นะเงามันคืออะไรที่น่ากลัวมากอย่างนั้นนะคะอุปมา ก, กับอะไรคะเนี่ย เ, เปรียบเหมือนกับกิเลสไงเราจะกําจัดกิเลสเนี่ยเรากําจัดอย่างนี้แตนะเราไม่ต้องการไปมีภพใหม่เกิดใหม่เราต้องการกําจัดความทุกข์ให้หมดเนี่ยเราจะบดขยี้กิเลสให้มันออกจากใจของเราเนี่ยเราต้องล้างชำระขนาดนี้เลย โอ้อันนี้เป็นอุปมาที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าปลายทางคือวิมุตต์หลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแค่เพียงเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็แค่เพียงรำคาญเงาของมันมเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าเป็นพวกเราโอเรียกกทมอเลยริดเอาใบออกอแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้ให้ขุดรากถอนโคนเอามาสับให้ละเอียดเอาไปเผ า, เาให้เป็นเขา คิดเท่าแล้วเอาไปโปรยให้หายไปกับอากาศจนกระทั่งหาเงาไม่เจอนี่แหละนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะต้นไม้ต้นเดียวกันลม้มมองได้สรารพัดแบบนะคะจะมองไปว่าเป็นลางร้ายอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเรามาถามกันสมมุตินะคะท่านคะคือเขาบอกว่าโลกเนี่ยมันมีสองด้านสามด้านสีด้านอยู่เสม อ, อ, มอถ้าจะมองให้เกิดประโยชน์จากการที่เห็นว่าเป็นลางร้ายเนี่ย มันจะเกิดประโยชน์อะไรได้ซักมุมหนึ่งไหมคะคือคือเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองได้ว่าเออถ้าเป็นฐานที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนะเราก็มองได้ถ้ามองให้เป็นอกุศลธรรมก็มองได้ในอย่างตัวเลขอย่างเงี้ยหรืออย่างบางคนตาขวากระตุกอย่างเงี้ยว่าเออลางลายแน่นอนอีกคนหนึ่งโอ้ยไม่ใช่อีกประเทศหนึ่งเขาเชื่อว่าตาขวากระตุกนี่เป็นลางดีก็มี นะตัวเลขนี้ก็เหมือนกันบางคนเลข8แล้วเฮงเลข8แล้วดีอีกประเทศหนึ่งบอกว่าไม่ได้เลข4นี้ไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราอันนี้คือเร า, เ, าเป็นผู้ถูกกระทำเป็น เ, เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นนะเขาเชื่อกันนี้เราก็เชื่อตามแตนะ่นี้ผูนะ้เรียพูดถึงตรงนี้คือ น, นิมิตคุณยมติวนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะจริงๆต้นไม้ลม้มหรือว่ า, ามีตาขวากระตุกหรือว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เห็นภาพที่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นนิมิตทางนั้นเป็นเครื่องหมายจริงๆก็ก็บอกอะไรก็ได้แต่ถ้าเครื่องหมายนี้ทําให้เรามีจิตที่เป็นกุศลอันนี้ดีแต่ถ้าเครื่องหมายนี้ทําให้จิตเราเป็นอกุศลเราอย่าไปนสนใจมันเพราะอากุศล น, นี้ไม่ดีอะไรนะค่ะเราต้องเอาอากุศลออกจากจิตของเราเอาอากุศลธรรมออกจากจิตของเราเพราะฉะนั้นไอ้นิมิตอะไรที่มันนํามาเพื่ออกุศลเนี่ยเขียมดิ้งไปนะค่ะ ทีนี้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือแทนที่เราจะต้องไหลไปตามนิมิต ท, ที่มันมาเกิดขึ้นเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเราเราเป็นอิสระจากนิมิตเหล่านี้จะดีกว่านะคือถ้าฉันต้องการตั้งจิตให้เป็นกุศลธรรมฉันทําเมื่อไหร่ก็ได้ดีดนี้เอาเลยนะโดยไม่ต้องรอนิมิตไม่ต้องรอต้อนไม้ไม่ต้องรอรอยหนูกัดหรือไม่ไม่ต้องรอตาขวากระตุกหรือตาซ้ายกระตุกนะเราทําจิตให้เป็นกุศลปุ๊บวินาทีนั้นเป็นของดีเลยนะเราจะทําอะไรก็ได้ถือว่าดีละออกรถใหม่ก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะปล า, าน้น นนเนี่ยนะคะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมแบบทางบ้านเราคือไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยประเทศเดียวนะคะยังมีอีกหลายประเทศค่ะที่จะมีความเชื่อในทํานองนี้อยู่มากแล้วบางทีถ้าเราไม่ได้ฉุกคิดเลยเนี่ยจิตมันก็ตกลงไปทุกวนันทุกวนันนะคะมันอาจจะต้องมาถามตัวเองว่าดีหรือไม่ดีกับตัวเราอันนี้ดีฉันก็ไม่สรุปนคะครเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่า ก็เห็นไม่ลากับไอ้โคนแล้วเนี่ยดูซิญาติผู้ใหญ่นะมีอันเป็นไปเลยดูซิทรัพย์สินในบ้านเสียหายเลยดูซิลูกเต้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไปเลยบางคนเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดต่ อ, ตอมาเนี่ยมันเกิดเพราะมีต้นไม้ล้มนั่นแหละอ <c oughs> มีมีคนบอกับฉันบอกว่าเนี่ยสามีของคนคนหนึ่งมาเสียชีวิตในวันถัดมาหลังจากที่วันก่อนหน้าพันยาเนี่ยเข้าโรงพยาบาล <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้ เสร็จเราก็เกิดเลือดออกท่วมตัวท่าบอกว่าเนี่ยเป็นหลางร้ายอืม่อดิฉันเองเพิ่งที่ว่าเดินทางไปครั้งนี้นะคะท่านพวกเราก็ได้พักอยู่ในโรงแรมที่เขาต้อนรับเป็นอย่างดีทีนี้ทางที่โบนี่อะไรดีๆมันก็มักจะเป็นอ่าโบราณนวัตถุโบรา ณ, ส ถ, ราณาสถานหรืออย่าใช้คำพูดโบราณาสถานแล้วมันอยู่มานานเน่ะเป็นของแท้โบราค่ะ<ง>ที่มีค่าก็มีเรื่องเล่ากันโอ้ยผีดุนะแล้วก็ เนี่ยนะจะมาลักษณะโน้นลักษณะนี้แล้วเขาก็อธิบายว่าเนี่ยจะมาลักษณะเป็นเสียงน้ําไหลนะคืนนั้นก่อนนอนก็ปฏิบัติทำสักหน่อยหนึ่งดิฉนได้ยินเสียงน้ําไหลจริงๆเลยโอ้ยอยู่ในสมาธิโอ้ไม่ถึงเมไหลไม่ยอมหยุดสัทีนะเมื่อไหร่มันจะหยุดแต่ก็แต่ก็ทนฟังไปเรื่อยๆนะคะจนประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จสับก็เดินไปดูน้ําปรากฏว่าขอภายนะคะเหมือนกับไอ้ที่ชักโครกเนี่ย อ๋อมันรั่วนะจังหวะมันไม่ค่ะเหมือนกับไอ้ไอ้ลิ้นมันไม่ปิดๆอ่ะ น, นะคะอ๋ะออ่าก็เนีย่ยก็ถามเออเขาเขาก็ไหลจริงๆนะอย่างที่บอกแต่เนี่ยถ้าเกิดหลักไม่ดีเนี่ยโหป่านนี้ขวันอาจจะแขวนอยู่ที่นู่นไม่ได้กลับบ้านมาด้วยกันหรอกเพราะนี่แหละที่ที่จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเอเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นอิสระจากนิมิตนึ่เครื่องหมายต่งตางๆเนี่ยไม่ไมา ม, มีผลกระทบต่อจิตของเราได้ นะให้จิตของเราตั้งอยู่ในกุศลเราติดนิ้วทําได้ตันตีนะไม่ต้องรอนิมิตไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะอืมค่ะนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นดิฉันเคารพในการตัดสินใจที่จะเชื่อของท่านทั้งหลายค่ะแต่ว่าสําหรับดิฉันเองและดิฉันเชื่อว่าท่านพไบรลทบก็คงเชื่อเช่นกันว่าพระพุทธองค์เนี่ยตราดไว้ในถูกที่สุดอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นนิมิดใดๆก็แล้วแต่นี่นะคุณยมติว ให้ใเราตั้งจิตเป็นกุศลทันทีนะไม่ว่านิมิตนั้นจะเป็นดีไม่ดีใครจะว่าอะไรยังไงถ้าเราทรงจิตไว้เป็นกุศลได้นิมิตนั้นดีเสมอนะไม่ว่าจะเป็นตาขวากระตุกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทรงจิตของเราไว้ในกุศลธรรมได้นิมิตนั้นดีเสมอแบบนั้นเห็นต้นไม้ล้มปุ๊กคิดอย่างนี้เลยว่าสงสัยจะได้ของดีมาโดยง่ายอืเห็นธรรมะด้วยเนาะแต่ให้เห็นธรรมะได้ดีสุดนะคะใช่ค่ะ ถ้าฟังคะ่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมม น, น, นาดทฉันกำลังสนทนาอยู่กับพระอาจารย์เทวุลอภิปุโนซึ่งวันนี้ก็ได้เนื้อหามากทีเดียวนะคะและท่านเองก็อยู่ในห่วงเวลาที่ทราบว่าเหนื่อยมากเพราะนอกจากจะกำกับดูแลคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วยังทราบว่าน้าท่าที่ใช้มีปัญหาด้วยใช่ไหมคะใช่ S <S <S คือมันก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างที่ว่าน่ยปั๊มอะไรเกิดมัเสียไปก็เลยต้องไปแก้ปัญหากันทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องไฟฟ้าต่างๆก็ตอนนี้ก็แกไ้ได้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยค่ะก็เป็นอะไรที่กราบขอพระคุณท่านมากเป็นพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะที่ยังเมตตาแบ่งเวลามาให้ความรู้ทางธรรมะ ก, กับท่านทั้งหลายค่ะกราบน้นส ก, การขอบพระคุณค่ะเจริญพรเจริพรข้าคใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกก็นู่นเลยนะคะ เข้าเว็บไซต์ไปที่หลวงพ่อด็อกเตอร์คอมหรือว่าจะไปที่พิลทามาคอม /106 ที่ท่านจะสามารถาฝากคำถามเอาไว้เพื่อรายการนี้แล้วก็ยังมีข้ออัดข้อธรรมต่างๆนะคะที่ท่านไปบูรณ์ได้แสดงเอาไว้ประกอบไปด้วยพุทธวจนะของพระศาสดาที่จะมายืนยันว่าเป็นธรรมที่ได้ตรัสเอาไว้แล้วต่อคาถามเรื่องนี้ได้รายการนี้ จะพบกับท่านเป็นประจำทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็ทุกครั้งในช่วงท้ายของรายการเรามักจะบอกให้ท่านโทรศัพท์มาที่2 6งหกเกเพื่อที่จะได้รับหนังสือพุทธวจนะที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนาปะพงท่านมอบให้มาเพื่อที่จะได้เอาอไปทบทวนไปท่องจําให้ขึ้นใจสําหรับคําที่เป็นมงคลมากที่สุดในโลกนี้คือคําตรัส ข, ของพระศาสนาติดต่อกันเข้ามาครับแล้วกันนะคะวันหนึ่งให้3มเล่ม วันนี้เราคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดิฉันสรรสินีนาคพง์นะคะพุทธสวัสดีค่ะ